การทำกรรมฐานนะที่ยากที่สุดน่คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาต้องฝึกจิตก่อนที่จะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาจิตที่จะไปเดินปัญญาได้นะเป็นจิตที่เป็นเร่องมหาคุโสรจิต ป, ประกอบด้วยปัญญานะมีความพร้อมที่จะเดินปัญญา เกิดเองเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช่จิตที่เราจะทำขึ้นมาได้ตามใจชอบจิตดวงนี้มีลักษณะเบามีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะคล่องแคล่ว ว, ว่องไวแล้วก็ขยันในการรู้อารมณ์ ไม่ช่วยไม่ขี้เกียจเวลารู้อารมณ์ก็รู้อย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นจิตที่ไม่มีราคารู้โดยไม่ได้อยากจะรู้ไม่มีโทสะความหงุดหงิดลำคาญไม่ฟุ้งซ่านไม่มีโมหะคุณสมบัติของจิตที่ดีที่จะใช้เจริญปัญญานี้มีมาก้เราต้องฝึก จุดสำคัญอยู่ที่การทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราคุ้นเคยไหวพราสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้บริกรรมพุโทโธพุทโธหรือบริกรรมอย่างอื่นก็ได้หายใจไปก็ได้หรือเดินจงกรมเคลื่อนไหวร่างกายทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่ง คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงร่างกายคิดถึงทานคิดถึงศีลให้มีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งเมื่อมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งอยู่ที่เครื่องอยู่อันนั้น ที่เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธนะเรามีพุโทโธเป็นเครื่องสังเกตจิตพุโทโธพุโทโธไปเพราจิตหนีไปจากพุโทโธเรามีสติรู้ทันทำไมต้องมีเครื่องสังเกตถ้าเราดูเข้าไปที่จิตตรงๆเนี่ยจิตจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไงเราจะไม่เห็นจะมองไม่ออกเลยเพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตน เราจะมองว่าจิตวิ่งไปยังไงยังไงเนี่ยดูไม่ได้ดูไม่ออกมันต้องมีฉากหลังนะของการมองอย่างเรามองได้ว่าพระจันทร์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แต่ละวันแต่ละวันไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะมันมีฉากหลังคือดาวนะพระจันทร์วันนี้อยู่กับดาวดวงนี้อยู่กับดาวจรเข้ อ, อีกวันหนึ่งขยับไปอีกหน่อยหนึ่ง มันก็มีฉากหลังทําให้เราเห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้หรือเราเห็นว่าพระอาทิตย์แล้วก็ดาวต่างๆรวมทั้งพระจันทร์ด้วยเคลื่อนที่ได้เมื่อเทียบกับขอบโลกมันต้องมีที่สังเกต่ะมีขอบโลกเลาจะเห็นมันเคลื่อนเคลื่อน่นะจากขอบโลกข้างหนึ่งไปสู่ขอบโลกอีกข้างหนึ่งขอบฟ้าขอบฟ้าข้างหนึ่งไปสู่ขอบฟ้าอีกข้างหนึ่ง ไม่จะรู้สึกได้ว่าโอ้พระอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวหรือพระจันทร์อะไรเนี่ยมันเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่ในความว่างเปล่าในจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยเนี่ยถึงเราจะเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีความเคลื่อนที่มันไม่มีเครื่องสังเกตจิตนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้ต้องมีที่สังเกต เราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปจากพุทโธเราก็จะรู้ว่าอ๋อหนีไปจากพุทโธแล้วเคลื่อนไปที่อื่นละหรือเราอยู่กับลมหายใจพอจิตมันเคลื่อนไปจากลมหายใจเราก็จะรู้แล้วว่ามันเคลื่อนไปแล้วจิตมันไปแล้วจิตเนี่ยโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันได้เมื่อมีฉากหลังมีแบ็กลาวฉากหลัง จากหลังมันก็คือพวกกรรมาฐานทั้งหลายที่เราฝึกกันนั่นแหละเพราะนเราฝึกกับพุโทโธไม่ใช่เพื่อเอาพุโทโธนะรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบอยู่ที่ลมหายใจเราพุโทโธเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากพุโทโธหายใจเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตมันเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นเช่นมันเคลื่อนไปจากลมหายใจไปคิดเรื่องอื่น หรือบางทีมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจก็เคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างเวลาเรารู้ลมนะจิตมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ลมอันนี้ก็เคลื่อนแล้วงั้นก่อนที่จะรู้ลมอย่าไปน้อมจิตให้ลงไปอยู่ที่ลมนะให้เป็นจิตของคนธรรมดาอย่างที่พวกเราเป็นจิตธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปนะรู้เท่าทาันจิตไปสบายสบาย จิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตมันจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะที่เคลื่อนไหวได้พอมันเคลื่อนนิดเดียวเนี่ยสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่พอจิตมันเคลื่อนเช่นเราฟุทโทรหรือเราหายใจอยู่จิตมันเคลื่อน ไปคิดเรื่องอื่นนุ่มเคลื่อนไปดูเห็นคนเดินมาพอดีกำลังหายใจอยู่ให้คนเดินม า, าหารไปดูเขาจิตวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นเนี่ยให้คอยรู้อย่างนี้บ่อยๆจิตวิ่งไปคิดก็รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้ะจิตถลำลงไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็รู้อย่างเราดูบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลลงไปรวมอยู่ที่ท้องแล้วก็แชร์นิ่งอยู่อย่างนั้นเลยนะอันนั้นได้แต่ความสงบ ไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะจิตจะเป็นนิ่งๆซื่อบื้ออยู่แค่นั้นเองสบายติดอยู่แค่นั้นหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะั้นก็ซื่อบื้ออยู่กับลมหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจเดินปัญญาไม่ได้สุดสำคัญที่เราจะฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาก็คือต้องรู้เท่าทันจิตอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแค่เครื่องสังเกตจิต ให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วมันใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเราก็สังเกตที่จิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างใช้กายคตาสติดูเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไม่ใช่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้จิตสงบเฉยๆเราจะใช้วิธีดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้แล้วคอยรู้ทันจิต อย่างเราสนใจลองกำหนดจิตไปที่ผมดยทุกคนมีผมอยู่มากน้อยไม่เป็นไรเราเอาจิตไปไว้ที่ผมซินึกถึงผมจิตไปอยู่ที่ผมไหมลองย้ายสิเอามาอยู่ที่ขนชิว้ว ลองย้ายเอามาไว้ที่หัวไหล่ไหลไหนก็ได้เอาเสื้อไหล่หนึ่งลองย้ายไปอยู่ที่ข้อศอกเราย้ายไปอยู่ที่มือ ย้ายไปอยู่ที่ท้องพอจะดูได้ไหมเอาจิตกลับมาฟังธรรมต่อพอจะสังเกตได้ไหมจิตมันเคลื่อนไปได้นันเคลื่อนไปมันสนใจที่ไหนจิตมก็ไปที่นั่นนะมนานัสสิการถึงอะไรนะจิตก็ไปเกิดตรงนั้นเลยสนใจใส่ใจกับอะไร จิตก็ไหลไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกให้จิตไหลไปไหลมาแบบนี้หรอกอันนี้เป็นการฝึกดูจะได้ดูได้เวลาจิตมันเคลื่อนไปถ้าเราดูไม่ออกเลยจิตมันเคลื่อนที่ได้หัดเคลื่อนอย่างเนี้ยเคลื่อนอยู่ในร่างกายของเรานะยอย่าเคลื่อนไปที่อื่นอย่าเคลื่อนไปดูเทวดาดูผีอะไรอยงเ้ยเสียเวลาดูอยู่ในร่างกายเนี่ยไล่ขึ้นไล่ ล, ลงต่อไปจิตมันขยับไปทางไหนนี่ยมันจะเห็น แล้วเราก็มาพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนเรารู้ทันมันฝึกเยอะๆการที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้อย่างที่หลวงพ่อพาทําตะเกียะเราจงใจเคลื่อนถ้าไม่งั้นมันแอบเคลื่อนเองเราไม่เห็นเราจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปทําไปอยู่ที่ไหนเรารู้ต่อไปจิตมันจําการเคลื่อนได้พอมเคลื่อนไปทางนี้ปุ๊บสติจะเกิดเอง สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่ทันทีที่สติเกิดนะแล้วเราไม่ไปแทรกแสงจิตไม่ไปบังคับจิตแค่รู้เฉยๆว่าจิตมันไปที่ไหนจิตมจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานางั้นพอเราดูการเคลื่อนไหวเป็นแล้วเนี้ยเราไปทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้สัอย่างหนึ่งเป็นแพบกกล่าวไว้แล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแต่อย่าจ้องอยู่ที่จิต ให้จิตมันเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้ทันอย่าไปนั่งเฝ้าไม่ให้คลาดสายตานะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจ้องอยู่ที่จิตนี้นใช้ไม่ได้หรือหายใจไปแล้วก็จ้องจิตยอย่างเดียวนี่ใช้ไม่ได้รู้สึกเล่นเล่นรู้สึกสบายสบายรู้สึกยังมีความสุขให้จิตใจนั้นเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระได้เพียงแต่ว่าเคลื่อนไหวไปแล้วเรารู้ทันนับปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยต่างากันนิดเดียว คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตมันก็เคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปคิดนักปฏิบัติก็ให้จิตมันเคลื่อนแบบนั้นแหละแต่จิตไปดูรู้ว่าไปดูจิตไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดมันต่างกับคนไม่ปฏิบัติอันเดียวคือมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองแต่ปล่อยให้จิตทำงานไปเหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คนที่ไม่ปฏิบัตินะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปรู้รสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยววิ่งไปรู้เรื่องราวที่คิดทางใจเนี่ยคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นคนนักปฏิบัติก็ทําแบบเดียวกันนะใช้ชีวิตปกติเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางตาเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติก็คือเรารู้ทันว่าจิตไปทางตาคนทั่วไปจิตไปทางตาไม่เคยรู้เลย จิตเป็นหนีไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่เคยรู้เลยเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้แล้วเราจะได้อะไรทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะเลิกไหลโดยที่เราไม่เจตนาให้เลิกเห็นไหมเราจะต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้โดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาที่จะเป็นผู้รู้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาเองถึงจะเป็นจิตที่เป็นกุศลมีกาลังแก่กล้านะงั้นที่แรกเราหัด ถ้าเราดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ได้เราหัดจงใจเคลื่อนไปอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวจิตไปอยู่ตรงไหนนะีไล่ซ้อมอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเรามองออกแล้วว่าจิตไปอยู่ที่ไหนเราก็มาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้จิตทํางานทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตวิ่งไปอยู่ที่ผมก็รู้ทันนะแต่ส่วนใหญ่พอไม่ได้ฝึกกรรมฐานอยู่เนี่ยนะหรือเรา ไม่ได้ดูผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยนะจิตมักจะไหลออกไปข้างนอกมันไม่มาดูหรอกผมคนเล็บฝันหนังอะ่ะมันจะไปดูหนังคนอื่นไปดูผมคนอื่นไปดูเนื้อคนอื่นไปดูของคนอื่นมันจะสนใจดูข้างนอกนะงั้นเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตจะวิ่งไกลวิ่งไปไกลๆเวลาที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันจะวิ่งไกลๆวิ่งอยู่ในที่ไกลๆธรรมะ ในสติปัฏฐานมีธรรมะในที่ใกล้ธรรมะในที่ไกลธรรมใกล้ๆในวิ่งไปอยู่ใกล้ๆให้วิ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยหักซ้อมวิ่งอยู่ในร่างกายจนกระทั่งดูออกว่าจิตเคลื่อนไหวเป็นยังไงแล้วก็มาใช้ช <Yes. S 2> ีวิตจริงๆอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนไปดูก็รู้จิตเคลื่อนไปฟังก็รู้จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆรู้ไปต่อไปพอจิตเคลื่อนแล้วเรารู้ มีสตินั่นเองรู้ทันจิตที่เคลื่อนเช่นจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านมันจะดับทันทีเพราะเรามีสติแล้วจิตฟุ้งซ่านจะดับทันทีแล้วจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่ทรงสมาธิที่ดีทรงสมาธิที่ดีเราฟังแล้วอาจจะงงว่าเราไม่ได้ฝึกสมาธิทาไมหลวงพ่อบอกว่าเกิดสมาธิ มันเกิดสมาธิได้นะถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ไหลนะความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็ เ, เกิดก็แค่นั้นเองง่ายๆเมื่อไหร่ไม่ฟุง้งซ่านมันนั้นก็มีสมาธิแหละเมื่อไหร่ไม่ฟุ้งซ่านเมันนั้นก็มีสมาธิที่บางคนสงสัยถ้ามีราคะล่รอจะมีสมาธิไหมสมาธิที่ดีนะสมาธิที่เร็วมีตลอดนะจิตก่อนจะมีราคะได้ต้องมีจิตฟุ้งซ่านก่อนต้องมีโมหะ เพั้นถ้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนคือรู้ทันจิตที่มีโมหะได้นะไม่ว่ากิเลสตัวไหนจะเกิดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยโมหะเสมอเนะฉะนั้นเรารู้ต้นตอมันตรงที่จิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บกิเลสอื่นจะไม่มีไปโอกาสเกิดเลยราคะโทสะจะเกิดไม่ได้เลยถ้ารู้ทันโมหะตั้งแต่แรกนะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้ฝึกตัวนี้ให้ดีศีลนะของเราจะสมบูรณ์ เพราะว่ากิเลสไม่มีถ้ากิเลสไม่มีรับรองไม่ทําผิดศีลหรอกการทือศีลี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยมีสติรักษาใจไว้อย่างเดียวเท่านั้นศีลอัตโนมัติจะเกิดแล้วพอจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยนะจิตจะหยุดการเคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาจะหยุดสมาธิอัตโนมัติจะเกิดจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัตินะนี่คือวิธีฝึกให้ได้จิตผู้รู้นะแล้วต่อไป จิตเคลื่อนอีกก็รู้อีกนะจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้สิ่งที่ได้มาคือปัญญามันจะเห็นว่าจิตที่เคลื่อนไปนะก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไปพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ดับเกิดเป็นจิตที่รู้จิตผู้รู้เราไม่ได้คุมไว้ไม่ได้เพ่งเอาไว้นะมันก็จะไม่เที่ยงให้ดูประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอีกแล้วไหลไป พอไหลไปเราก็มีสติรู้ทานจิต ท, ที่ไหลอีกนะจิตที่ไหลแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาอีกนะ ก, ก็จิตรู้ก็จิตไหลเนี่ยจะสลับสลับกันตลอดเวลาเดียเดยเด๋ยวรู้เดี๋ยวลนะหลงเดียเด๋ยวรู้เดี๋ยวหลงไปใช้คําผิดนิดนึงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้หลงก่อนหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้อย่ารู้นะอย่าเริ่มจากรู้นะถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงเลยกลายเป็นเพ่งจิต ให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านเริ่มมาจากกิเลสจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมเริ่มจากกิเลสก่อนจิตมีโมหะคือจิตหลงไปจิตฟุ้งไปรู้ว่าจิตหลงไปจิตไม่หลงรู้ว่าจิตไม่หลงเนี่ยดูไปจิตหลงแล้วรู้ หลงไปแล้วรู้นะมันจะเกิดจิตไม่หลงขึ้นมาะเนี่ยเราเดินตามคาพูดท่านเป๊ะๆเลยไม่มีข้ามสักคาเดียวะจิตฟุ้งซ่านคือจิตมันหลงไปรู้ทันพอจิตเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไม่หลงก็เกิดขึ้นก็แค่นี้เองเห็นบ่อยๆแล้วเราจะรู้จิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่ใช่ตัวเรามันหลงได้เองจิตรู้ก็ไม่ได้ตัวเรา เราไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้อัตโนมัติขึ้นมาเพราะว่าสติทำงานขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญญานะงั้นการที่เราทำกรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สตินะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ครบทุกอย่างเลยในแค่จิตไหลกุก๊กกี้กุ๊กกี้แค่นี้เองหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆ น, นะหลวงพ่อทำมาอย่างนี้จริงๆ ฝึกมาอย่างนี้จริงท่านเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยทีแรกทําไม่เป็นเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเลยเฝ้าจิตไว้ไม่ให้เคลื่อนเลยหลวงปู่บอกทําผิดนี่คือการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่เธอไปทําถ้าจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยอันนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตปล่อยให้จิตทํางานตามปกติ จิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะเพียงแต่ว่ามันไปดูไหลไปดูเรารู้ทันไหลไปฟังเรารู้ทันไหลไปคิดเรารู้ทันต่อไปมันแค่ขยับตัวไหลนิดเดียวขยับคลิกเนี่ยรู้สึกแล้วคลิกรู้สึกแล้วคลิกรู้สึกแล้วนะไม่ต้องกลัวเรื่องผิดศีลผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่ากิเลสครอบงําจิตเราไม่ได้นะสติมันบริบูรณ์อยู่ในจิตนะมาบวช ในพรรษาที่สามนะบวดได้สองปีกว่าๆนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ผ่านพรรษาที่สามมาแนละ้วได้สองปีเับ7 เ, เดือนสองปีคือช่วงช่วงพรรษาที่สามนะถึงต้นๆมกราหลวนะงพ่อก็ดูกิเลสเรายังเหลืออยู่กิเลสเรามี เนี่ยวสู้มันไม่ได้เราทำลายอวิชชาไม่ได้ไม่รู้จะทำลายยังไงจะเร่งความเพียรก็เร่งไม่ได้จะเร่งยังไงสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันอัตโนมัติหมดแล้วขยับเลิกๆเล็ก ๆ, ๆเห็นหมดจะทำให้เห็นมากกว่านี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยต้องฝึกจนถึงขนาดนี้นะ จนสติศีล ส, สมาธิปัญญาอัตโนมัติต้องเกิดฝึกไปเรื่อยๆถ้าอยากพน้นทกจริงๆทุกวันซ้อมไว้ถือศีลห้าไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนถัดจากนั้นก็ฝึกจิตของตัวเองแบ่งเวลาไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยถ้าจะเอาจริงก็เริ่มต้นสักครึ่งชั่วโมงอะไรอเงี้ยถ้าจะเอาพอปลอบใจกิเลส จะอยู่กับโลกแต่ว่าอยู่แบบไม่ทุกข์มากเริ่มต้นสักสิบห้นาทีมัมากกว่านั้นเดี๋ยวท้อใจเลิกซะก่อนสิบห้นาทีทําอะไรไหว้พระสวดมนต์สักสองานาทีนะเสร็จแล้วทํากรรมฐานไปจะจะใช้การสวดมนต์เป็นกรรมฐานก็ได้นะไม่ต้องสวดยาวหรอกพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็คือสวดมนต์นั่นแหละแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตหนีไปไหนก็รู้หนีไปไหนก็รู้ไปเรื่อย แต่ถ้าไม่รู้ว่าจิตหนีไปไหนพามนันหนีเลยพามนันไปอยู่ที่หัวที่โน้นที่นี้อยู่ในร่างกายเรานะเคลื่อนจิตไปในร่างกายเนี้ยจนกระทั่งมันชํานาญมันรู้เลยตอนเนี้ยจิตไปอยู่ที่นี้แล้วจิตมาอยู่นี่แล้วจิตมาอยู่นี่นะจิตมาอยู่นี่มาอยู่นี่นะอยู่ตรงไหนแต่อย่าลงไปแถวท้องน้อยนะถ้าลงไปแถวท้องน้อยเดี๋ยวราคะเกิดง่ายนะก็เลี้ยงเว้นซะช่วงนี้นะเว้นลงไปที่ข่าที่ขาแล้ว ดูให้ไล่ไล่ขึ้นไล่ลงอาชํานาญแล้วไม่ต้องไม่ต้องจงใจเคลื่อนจิตมันจะเคลื่อนของมันเองเราก็อยู่กับกรรมฐานเราพุโทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปจะเคลื่อนไปคิดก็รู้ส่วนใหญ่ที่เวลาเราทําในรูปแบบจิตไม่ไปไหนมากอ่ะไม่เคลื่อนไปที่กายกเคลื่อนไปคิดหรือไม่ก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐ า, านมีอยู่เ่านี้มันไม่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมอะไรหรอก เพราะมันเป็นภัสษาที่ซ้ำซากอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเราเงี้ยนะมันจะไม่สนใจดูอะไรเท่าไหร่ไหแต่ถ้าไปนั่งที่อื่นสนใจไหมนั่งงูจะมาไหมจิ้งจกจะมาไหมตุ๊กแกจะมาไหมมดูตุ๊กแกงูมาข้างล่างแล้วอย่างเงี้ยนะเงีย้ยจิตวุ่นวายโดยวเวลเราทำกรรมฐานอยู่ในที่ประจำของเราเนี่ยนะมันตัดการพวง ถึงอายตนะอื่นๆไปได้หลายตัวมันจะเหลือแต่กายกับใจเท่านะั้นะร่างกายบางทีนั่งไปแล้วร้อนเหงื่อตกหรือนั่งไปแล้วเมื่อยปวดเมื่อยให้มาจิตทุรนทุรายขึ้นมาจากความเมื่อยอนะไรเงี้ยเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงให้ดูแลนะ้นั่งไปแล้วเราก็ดูจากกายกายเกิดอะไรขึ้นในกายก็เข้ามาที่จิตอีกนะหรือบางทีนั่งไปจิตสงบจิตมีความสุขจิตเลิดเลินอนะไรเงี้ย จิตหลงหลงเพลินก็มีนะหลงเพลินเนี่ยนักปฏิบัติเป็นเยอะนั่งแล้วก็หลงเพลินนี่ทำให้ดูใครดูออกไหมสบายนะต้ะะงเพิ่มสตินะลบออกก่อ น, น นั่งแล้วต้องรู้เนะืรู้ตัวนะไปทำเคริบเคลิม้มขาดสติอะไรไม่เอานั่งแล้วรู้สึกไปเนี่ยฝึกไปจิตเคลื่อนเคลื่อนไปไหนเวลานั่งอยู่ในรูปแบบเนี่ยเคลื่อนไปที่กายบ้างปวดตรงน้อนเมื่อยตรงนีนะ้ร้อนตรงนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนทางใจแอบดีไปคิดเรื่องอื่นนะหรือบางทีก็ถลําลงไปเนี่ยเคลื่อนทางใจ ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ถล่มไปอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานก็ได้รู้ทันเราแต่ถ้าเราใช้การหายใจนะมันถล่มไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่กายเราะฉนั้นเวลามันเคลื่อนนะมันเคลื่อนอยู่ที่กายที่ใจสองอย่างเวลาทําในรูปแบบแต่เวลาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเคลื่อน6ช่องเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพั้นก่อนที่มาสู้ในเวทีจริงนี่นะฝึกของเราอาไว้ให้ดีก่อนให้ชํานาญก่อน เคลื่อนไปที่กายก็รู้เคลื่อนไปที่ใจก็รูเ้เคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรรู้ทันฝึกไปแล้วต่อไปพอมั่นใจแล้วอามาฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ยากที่สุดฝึกในชีวิตประจำวันเพร้อมจะฝึกให้จิตทำงานทั้งหกช่องาทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่การทำในรูปแบบฝึกอยู่สองช่อง ท, งทงนะอางกายกับทางใจนั่นการทาในรูปแบบจะช่วยเรานะ ให้เราชำ น, นี้ชำนาญจิตเคลื่อนไปทางไหนก็จะเห็นะไม่ห้ามนะไม่ห้ามเคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะสมัยโน้นนะจิตเคลื่อนไปไหนก็เห็นปุ๊บรู้ปุ๊บรู้อย่างงี้เลยงั้นสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตเบื้องต้ น, นะปัญญาเบื้องต้นเกิดจิตไม่ใช่ตัวเราจิตมันเคลื่อนได้เองจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ปัญญาต่อไปมันก็เห็นจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกจิตไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีความยึดจิตก็ไม่มีความทุกนี่เป็นปัญญาระดับกลางต่อไปมันจะเห็นท่องแท้ขึ้นไปอีกมีจิตก็มีทุกจิตจะเคลื่อนและจิตไม่เคลื่อนจิตคือตัวทุกต้องเห็นจนถึงตัวนี้นะนี่ปัญญาขั้นสูงสุดอย่างนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ัดแล้วเห็นความจริงแท้แล้ว ของขันห้าว่าเป็นตัวทุกขันห้าเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดขันห้าก็คือจิตดวงเดียวนี้แหละวิญญาณปัจจายานามรูปังวิญญาณคือตัวจิตเป็นปัจจัให้เกิดนามรูปงั้นขันห้ามันมาจากจิตดวงเดียวนี้เองจิตมันอย่างลงไปเกิดขันห้าขึ้นมางั้นถ้าเราเห็นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกขตัวเดียวเนี้มันไม่ไปสร้างขันห้าขึ้นมาอีกแล้ว รู้จะสร้างทำไมมีจิตดวงเดียวก็ทุกข์แล้วถ้าฝึกมาถึงตรงนี้นะเราจะข้ามมาตัตฏกไปแล้วข้ามโลกออกไปนะจิตจะแปลสภาพเป็นธาตุเป็นธาตุธาตุรู้ครูบาอาจารย์มักจะเรียกว่าอมาตะธาตุอมตะธรรมบางที้าเรีอมตะธาตาาุอมตะธรรมเรื่องนี้พูดเยอะลำบากคนพูดก็ลำบากนะ เดี๋ยวถูกว่าอวดอุตริคนฟังก็ลําบากเขาะจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายเพราะพระพุทธเจ้าไม่เทศเยอะเรื่องจิตพระลระหันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนิพพานเป็นยังไงท่านไม่ค่อยพูดถ้าพูดปุ๊บเราจะหลงผิดไปสุดตวงสองข้างเลยนิพพานแล้วเนี่ยยังเหลือจิตเที่ยงอยู่อีกพวกหนึ่งก็นิพพานแล้วศูนย์ อีกพวกหนึ่งนี้ผ่านเราเที่ยงพวกเราได้แค่นั้นปุถุชนถ้าไม่เที่ยงก็ศูนย์เราไม่รู้จักสิ่งซึ่งพ้นจากความสุดตรงสองข้างนี้เราจะไม่เห็นเอาไว้เห็นก่อนแล้วค่อยว่ากันบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ผู้รู้ผู้ไม่ตายแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะหลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้ สมเด็จพระญานสังวรเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวแต่และองค์เรียกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านเห็นนั้นอันเดียวกันไปพาวนานะถือศีลห้าซ้อมในรูปแบบ สํารู้เท่าทันจิตทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วรู้เท่าทันจิตไปถ้ายัางรู้จิตเคลื่อนไหวไม่เป็นพภามันเคลื่อนแล้วก็รู้เอาว่าตอนนี้เคลื่อนไปอยู่ในร่างกายส่วนไหนแล้วจงใจเคลื่อนไปมันอยู่ที่มนาสิกานใส่ใจใส่ใจไปที่ไหนจิตก็ไปเกิดที่นั้นนะใส่ใจไว้ที่ผมนจิตก็จะไหลไปอยู่ที่ผมพอเราชํานาญเรื่องจิตไหลแล้วแล้วก็ทํากรรมฐานนั่งรับไป จิตมันไหลไปไหนก็รู้เา้าถ้าทำในรูปแบบว่าไหลไปที่กายกับที่ใจถ้าออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไหลไปหกซ่องรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวจิตไปทางตาก็รู้จิตไปทางหูก็รู้ไปทางตาก็รู้มันก็กลับมาแต่อย่าดึงมันกลับมานะจิตที่หลงไปนะั้นเป็นดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าจิตหลงเกิดขึ้นเป็นดวงใหม่ลนะคกละดวงไม่ต้องรักษาเพรอยให้มันเกิดดับไป ฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะ ม, มีวีดีโอมีอะไรตามหลังไปให้ฟังค่อยๆฟังแล้วไปฝึกเอาถ้าเข้าใจจิตของตนเองแล้วกรรมฐานจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าไม่เข้าใจจิตของตนเองไม่มีวันเข้าใจธรรมะหลวงปู่มั่นถนึงบอกว่าได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมเสียจิตถึงไม่หาจิตไม่เจอแล้วเสียธรรมะไป ได้จิตจะได้ทรรู้เท่าทันจิตคือรู้เท่าทันธรรมะหลวงปู่ ด, ดุลเคยอสอนนะธรร ะ, 8, 000, 000, ะธรรมะแปด0มืสี่พันพระธรรมขันนี้ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวของพระพุทธเจ้านี่เองจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าออกมาจากจิตท้งนั้นนะส่วนพวกเราสิ่งที่ออกมาจากจิตของเราก็าคือขันห้านะไม่ใช่ธรรมเป็นทุกสิ่งที่ออกมาคือทุก ฝึกจกนกระทั่งจิตคือธรรมจิตคือธรรมจิตคือพระพุทธเจ้าจิตคือพระสงค์เป็นสิ่งเดียวกันค่อยๆฝึกไปอย่าตกใจง่ายกว่าที่คิดขอยืนยันว่า ง, ง่ายที่ยากเพราะคิดมากให้รู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้เท่าทัานจิตใจของตัวเองบ่อยๆไปแล้วจะพบว่า ง, ง่าย เ, าเชิญไปกินข้าว